สิ่งที่เราได้ยินเราได้ออกไปทำเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมได้ยินพระพุทธองค์ทรงแสดงเราก็ออกมาปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเรียบว่าปฏิบัติตามธรรมไม่ผิด ถึงที่จุดหมายปลายทางเช่นหลักการปฏิบัติก็มีหลักสูตรมีกายเป็นสูตรมีใจเป็นสูตรเป็นตำรามีสติเข้าไปศึกษาไปดูไปเห็นที่มันจะแสดงออกมาทั้งกายทั้งใจ เช่นมีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำคือศึกษาคือดูตมลาเวลาใดเวลาใดกายมันแจงออกมาจะเป็นเรื่องใดก็ตามไม่เห็นจักแต่ว่าไม่ใช่สัตว์คนตัวตนเราเขา อย่าเอ า, าอาการต่างๆที่มันเกิดกับกายว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เรียกว่ารู้เห็นได้รู้แล้วได้เห็นแล้วผ่านตาเราแล้วตาคือจติตเหมือนเราได้ทัศนานุตรละยาเห็นเหมือนกับการท่องเที่ยวที่ไปดูที่ไปพบเห็น สิ่งที่ใดที่เราได้พบเห็นมีคนอื่นบอกก็ก็เห็นแล้วถ้าเป็นการเห็นทางตาถ้าไม่เคยพบเห็นก็ไม่รู้จะที่บายอย่างไรก็ไม่ก็รู้ไม่ได้การปฏริบัติธรรมเหมือนกับการสัมผัสไม่เหมือนกับตาเนื้อที่มันเห็นเป็นการจำ สัญญาแต่ว่ า, าวการพบเห็นในการปฏิบัติมันไม่ใช่สัญญามันเป็นการสัมผัสสัมผัสมันบอกความเทศความจริงเห็นแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเป็นมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นแบบตา เอ็นแบบตามันเข้าไปเป็นเอ็นกายอยู่เป็นประจอมจีนใดที่เกิดขึ้นกับกายมากมายหลายยาวน่าก็สักแต่ว่าทั้งนั่นลื้อถอนไว้แล้วไม่เป็นตัวเป็น ต, ตนแต่ก่อนละอาการต่างๆ ท, ที่เกิดกับกายว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นกู เป็นภพเป็นชาติจีอสงขัยก็ไม่รู้ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นกับอาการต่างๆเกิดกับกายเป็นจีอสงขายมันจริงไหมบางทีเอามาเป็นสุขมาเป็นทุกข์มันจริงไหมมันเป็นของศูนเปล่าทาให้ บันจัดขึ้นมาว่าชอบว่าไม่ชอบแตะบวนการลื้อถอนเป็นไปทำนองนี้ให้เห็นจากแต่ว่าจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันก็ตอบอีกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เหมือนกันหมดไม่เห็นที่เรียกววทนาเวทนาคือมันสุขมันทุกข ในกายนี้นั้นสุขกับทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นอาการอันหนึ่งที่มันเกิดกับกายเป็นธรรมชาติธรรเป็นอาการของรูป่ของกายเป็นเช่นนั้นก็จะเอามาชอบว่าไม่เอามาไม่ชอบมันก็ไม่รู้เรื่องแต่เราบัญญัติเราเองความสุขความทุกข์ ต่างกันต่างววลากันบางคนเอาความทุกมาเป็นความฉกได้เอาความสุขมาเป็นความทุกได้เอาปัญญามาเป็นปัญหาได้เอาสิ่งที่บอกความจริงมาเป็นความเท็จเอาสิ่งนี้เป็นเท็จมาเป็นจริงเอามาเป็นฉกเป็นทุกขลังทัดียมันไม่จริง มนอนาการธรรมชาติของกายที่ว่าอาการต่างๆลื้อถอนไปอยา่างนี้เห็นศักแต่ว่าเวทนาคือวิสตินั่นนหละหลักการปฏิบัติแล้วก็มีความพพ้่มแล้วมีสติไปในากายมีปฏิบัติอยู่เห็นรู้สึกตัวไม่ใช่ไปบอกมัน ฝึกใหม่ก็กลับมามีความรู้สึกจันเละความรู้สึกก็มีได้เอาวัสดุอุปกรณ์เกิดจากกายดีมาจูในรีบทหายใจเข้าหายใจออกกลับมาตั้งอยู่ลมหายใจหรือคู่มือเคลื่อนไหวยกมือเข้าเอามือออกกลับมาลู่ที่นี่มันจะมีอะไรมาให้หลงไปสุขเป็นทุกข์ก็กลับมา เรียกว่าปฏิบัติคือตโต้ตอบทักท่วงตรวจสอบได้พบได้เห็นได้สัมผัสระหว่างมันหลงกับความรู้รือว่างเป็นสุขเป็นทุกข์กับความรู้นี่เรียกว่าปฏิบัติตามธรรมหัดตนสอนตนฝึกตนสอนตนไปไม่ใช่อาความคิดมาหาคําตอบเอาคำตอบเกิดจากความคิดเอาผิดเอาถูกจากความคิด อย่าเพิ่งไปเอาผิดเอาถูกจากความคิดให้เอาผิดเอาถูกจากความเห็นที่เหมือนเป็นมันไม่เป็นสุขเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงเห็นกับภาวะที่เป็นต่างกันอย่างไรเห็นสุขไม่เป็นสุขเห็นทุกข์ไเป็นทุกข์อันนี้คือคมตอบไม่ใช่โชบไม่ใช่ไม่โชบ แล้วก็มันคิดเนี้ยการคิดมีสงลักษณะต้องใจคิดไม่ได้ต้องใจคิดตัวไม่ได้ต้องใจคิดมันมีมากกบเกือนสติปัญญาได้ตัวไม่ได้ต้องใจคิดตั ว, ตวสองขานตัวสมุทัย เกิดจากความคิดเกิดจากคิดที่เป็นวิญญาณาธาตุรู้คิดเป็นบางทีความคิดเฉยๆก็เป็นสุขเป็นทุกข์ได้ความคิดก็พอใจไม่พอใจได้ความคิดเฉยๆก็เป็นความโกรธความหลงความลักความเกลียดชังได้ไปไกลอันความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นไปไกลเป็นภพเป็นชาติ ให้เห็นซะนันก็สักแต่ว่าจิตจักแต่ว่าคิ ด, คดมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเราหลงไปเสียเวลากับมันเราเสียเวลากับความคิดชนนี้จีอสงขายข้างแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จักเข็ดลาบยังให้มันล่องลอยจะให้มันเป็นอาคันตุกะมาข้างคาใจิตใจของเราอยู่เคยมาก่ามาเรื่อย เป็นอากทุกข์มันจรมาความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจทําให้เศร้าหมองก็มีทาให้เป็นทุกข์เป็นโทษก็มี<า>นั่นก็มันใช่ตัวใช่ต้นอะไร<า>เป็นนาการนั้นหนึ่ง<า>ที่มันเกิดขึ้นกับรูป ก, กับดามให<า>้เห็นอย่างนี<า>ม้มาที่ไรก็หลุดมาที่ไรก็หลุดเห็นจากตัวว่า กิดจากตัวว่ากิดไม่ใช่จัดตัวคนตัวตนโลเขาให้มันรู้ไปอย่างนี้ไม่ใช่รู้มันพบเห็นอย่างนี้มันเป็นเท็จเป็นจริงอย่างนี้ก็เอาความคิดมาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่จริงเลยเอาความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมาเป็นการพบเห็นอันนี้จริงกว่าเห็นมันคิดมาได้เป็นผู้คิดหยุดความคิดได้ง่ายก็มามีสติรู้จึกตัว คำนำหน้า ม, นมันความคิดที่มันเคยยกยกหิ้วเราไปที่ไหนนั่งอยู่นี่มันหิ้วเราไปที่ไหนอยู่ดีมันทําให้เราเกิดอะไรขึ้นมาความคิดมันก็ยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่รู้มันมีอํานาจมากเราจะมาเห็ น, นง่ายๆอย่าทาอะไรให้มันเกิดภาวะที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ใครคนอื่นทําให้เรามีแต่เราทําเองจุกทุกข์มีแต่เราสร้างขึ้นไวเองอย่าทําตัวเองให้เป็นสุขเป็นทุกข์อย่าให้เป็นอะไรโดยมีสติจักแต่ว่าจักแต่ว่าอาการต่างต่างที่เป็นความสงบความผู้งสารควา ม, มอง่วงเมาหัวนอนความน่าเลยสงสย่ย ความวิตกกัวลสำคัญมั่นหมายหานะคำตอบตัดสินใจไม่เป็นเรียกว่ารำรห ม, มาลมบางทีก็สงบมาไปอยู่กับความสงบสะบางทีก็พุ่งซ้านอยู่ในความพุ่งซ้านบางทีก็ใจร้ายบางทีก็ใจดี บางทีก็เครียดมองนั่นหรือว่าอาการที่มาเกิดไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเลยบางทีเรามาเป็นตัวเป็นตนเวลามันเครียดก็เศร้ามองหน้าโกดหน้ามึ้งแสดงแววตามมันนับใช้มันที่อสงคายแล้วอาการเช่นนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตเราขี้หน้ามาลองดูมันรู้จักแต่ว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนโลเขา เราก็ยิ่งใหญ่ขึ้นตรงนี้มีสิทธิมีอำนาจตรงนี้สิ่งที่ล่ามาให้มันโกบกวาสอนเราให้เราได้รู้จั ก, จกให้เราได้เห็นสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกมันก็มีปรรัญญาต่าปฏิบัติจากนี้ก็มีศีลขึ้นมา แทนที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะ<อ>จายเพราะเวทนาเพราะจิตเพราะธรรมโดยไม่ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดศีลเพราะสิ่งเหล่านี้มีสมาธิเพราะสิ่งเหล่านี้มีปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้ชินจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไม่ปกติทําให้ปกตินั่นคือมีศีลมันจะสุขสุขไม่ใช่ปกติของชีวิต เห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขมีศีลขึ้นมามีสมาธิขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาการืลล้อถอนเรื่องนองนี้จึงจะง่ายถึงง่ายลดสั้นถึงภาวะที่ไม่เป็นอะไรสูญยึตาว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนง่ายง่ายล ถ้าเดินตามทางลัดปฏิบัติแบบลัดลัดเราจะไม่กี่ชั่วโมงถึงจุดหมายปลายทางเช่นพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมจักให้ปัญจวัคคีฟังไม่ถึงสามสิบนาทีถือไม่เกินนั่นมากเกิดมีผู้บนรลุธรรมในเรื่องนี้ขึ้นมามันลัดเหลือเกิน ศึกษาเข้าไปก้าวแรกก็เห็นสิ่งที่ผิดเห็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดมันก็เป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกก็เป็นสิ่งที่ถู ก, ถกเห็นสองทางแล้วก็อยู่ตรงกลางกลางเห็นไม่ได้เข้าไปเป็นหรือ ว, ว่าอยู่เป็นกลางไม่ด่วนละไม่ด่วนปฏิเสธ นี่คือเห็นจับเข้าไปเห็นเลยพบเห็นเข้าไปเลยคำพูดของคนเจ้าแต่มีผู้พบเห็นทางความเห็นเรือว่าทิศสมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมีผู้แสดงผู้ฟังได้เกิดสมมาทิฏฐิแต่ก่อนเป็นมิจฉาทิฏฐิ พอมีผู้โบกหอมเทศความเพียงเช่นนี้ก็เกิดสมมธิทิฐิแป๊บเดียวดัดเื่อมือเดียวนี่มันเกิดจากเราแท่ๆเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เต็มหูสอนทยอยทำสว ด, ดน่นสตดนี่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นมีแต่เรื่องดีๆ รูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนชัดหลือเกินโน่อสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์เป็นสุข เอาความไม่ใช่ตัวตนมาเป็นตัวเป็นตนเกิดเป็นตัวเป็นตนจี่ภพกี่ชาติกี่สงขายในความไม่เที่ยงก็มีครัวตัวตนอยู่ตรงนั้นเกี่ยวพ้องกับความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นจริงได้ไม่เที่ยงจริงได้เป็นทุกข์ไม่ควรยึดถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ได้เกณฑมาแล้วพระพุทธองค์แสดงแบบนี้เรายัางดื้อด้านรัดผ้าแกวของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ของรักของชอบใจลักอะไรก็เป็นทุกข์เรานั้นเกียรติอะไรก็เป็นทุกข์เรานั้นก็เกียรติก็เป็นทุกข์ความรักก็เป็นทุกข์ม่เจอทุกข์หรอชีวิตต่อ เ, เนี่ย เราเคยมีเช่นนั้นไหมเคยเป็นทุกข์ความรักไหม <c oughs> เคยเป็นทุกข์ภวมเจียดชังไหมเ <c oughs> อา <c oughs> มันมีแต่โทษแต่ภัยชีวิตของเราเดียวค <c oughs> าไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์อ <c oughs> อะไรเอามาเป็นความสบายกายใจเอาอะไรมาเป็นความสบาย หาความสะดวกสบายเสียเวลาเท่าไรแล้วเสียเงินเสียทองเสียเวลาบางทีก็ไม่ได้หลับในนอนเพราะต้องการความสบายความสุขเป็นเช่นไรขั้ ว, น, วน้นาเหลวบ้านน้ำไม่เป็นก้อนขึ้นมาไม่ใช่ตัวเช้ตนอะไรตรงนั้นเราจึงมาเห็น ทิ้งในที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนก็ไม่ควรยึดถือว่าตัวว่าตนของลอกเราก็ไม่ค่อยจะทำในใจให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาแต่เมื่อมาปฏิบัติสัมผัสกับสิ่งเรื่องนี้สัมผัสกับความหลงแล้วหลงอีกรู้แล้วรู้อีกหลงที่ใดรู้ที่นั้นหลงที่ใดรู้ที่นั่นรู้เท่ารู้ทันดูที่มันจะเป็นอย่างไร หลงหนึ่งข้างก็บลูกหนึ่งข้างพรางมันตรงนี้แหละวัตถุประกอบที่จะมาต่อรองที่มากับตุ้นให้เกิดความลูกมีเมื่อหลงก็มีวัตถุประกอบมาทําให้เกิดความหลง ก, ก็มีเช่นกันเรียกว่าวัตถุกา ม, มคุณตาหูจมูกลินกลกล้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงปุถะอารมณ์เป็นวัตถุกามมงคลทีมาเกิดหลง วัตถุสิ่งที่มาทําให้เกิดลูกก็มีเค่เดียวกันมันหลงที่ตาก็ลูกที่ตานะ่ะมันหลงที่ใจก็ลูกที่ใจนะอ๋อเป็นความลูกสึบตัวนอะเที่ยว่ากับบัณฑนมันก็เพียงพอนะขยันอยากให้มันหลงด้วยซ้ำไปยอยากให้มันมีทุกข์โดยซ้ำไปแข่งเท่าหาเชียนลองดูจะได้เจอ เหมือนเราเหยียบหนามหาที่หาหนมามไม่เจอเอามือไปกดดูตรงไหนที่มีหนามมันจะเก็บโอ้มันอยู่ตรงนี้แต่ก่อนไม่มีรองเท้าใส่ต้องก่อนน้ำลายไปเค็ดฝ่าเท้าให้มันขาวขึ้นมาสาักหน่อยก็เลยเห็นหนามแล้วก็บุ่งออกมามันเก็บจึงเห็นหนามมั น, มนทุ ก, ท ก, นก็เห็นทุก แล้วก็พ้นทุกข์ดไม่ใช่บุงออกเหมือนนามทำความเห็นให้ถูกต้องความทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์มันก็มีทำในใจไม่ใช่มีวัตถุปกรณ์มาประกอบมันทุกข์แก้ทุกข์กินเหล้าสุโภรีเทีเท่ยวเตลเล่ร้อนนั่นไม่ใช่ทุกข์กัตมันเป็นความเห็นทำให้แก้ง นี่วะนีรูดเห็นทำได้แล้วมันเป็นการกระทำทางใจลนะให้มากๆนะอย่าปล่อยทิ้งนะทำทางใจไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเหนื่อไม่ไหลไม่เหมือนกับไลย่ยยงด้วยชั่บ่ตามความเห็นให้ถูกต้องนะี่ง่ายๆ ในความทุกข์เคยได้บูตาเบิกในความทุกข์น่าจะเป็นความยิ้มเยี่ยมแจ่มใสเห็นของกิ่งเห็นทุกข์มันน่าจะยิ่มชื่นใจบางทีคนอื่นบอกยิ่มชื่นใจขี้โทษวิ่งชื่นใจบัณฑิตขดชี้โทษคนผ่านสารเสื่อมใครบอกผิดบอกถูก ไม่ให้กบเกลื่อนบางทีเราก็รู้เองความหลงความผิดทำไมรู้ขึ้นมาเพื่อเห็นหลวงปู่เทียนสอนพระเกิดวิปัจจนุนเป็นปิติเป็นนิมิตเป็นปัจสัสธิ มีความสุขเอาผ้าชุบหน้ามาเช็ดเสากติหลงพ่อเทียนเช็ดบันไดเช็ดแล้วก็ออกไปยืนมองตรงไหนไม่ไดีกับมาทาตรงนั่นตรงนี้วันหนึ่งไม่ไปไหนตกแต่งกติหลงพ่อเทียนมันหลงมีความสุขคำว่าหลงพ่อเทียนนี่เป็ น, เ ป, นเป็นผู้ที่มีความวิเศษสอนให้เรารู้จัก ลูปเจา้านามมักจะเป็นมิปัจจนูน้อตอนนี้ไม่เคยเห็นก็เกิดความสุขหลงสุขหลงลูกขึ้นมาอายเป็นคนลูกก็แปบเมื่อมีความลูกกับมองพรเถียนเป็นคนสำคัญเป็นคนยิ่งใหญ่หลงไปก็พาเดินไปทุ่งคำหลวงจากวัดป่าพริยานประมาณสองกองม ไปด้วยกันหลวงพ่อเทียนกับพาหลวงพ่อหงคือหลวงพ่อหงโดยตายไปแล้วหลวงพ่อก็ไปด้วยหลวงพ่อเทียนพาเดินไปเห็นกองขี้หมาบอกหลวงพ่อหงเอาแม่อันนี้แม่อะไรขี้หมาถามหลวงพ่อหงขี้หมาหลวงพ่อหงตอบเอาแม่เอาแม่ พวกผมก็ก้มลงจะจับขี้หะาอยากจับขี้หมาพอจะจับจังงไม่จับทำให้ไม่เอาละมันเป็นขี้นะจะเอาจังไงมันก็เหม็นเหม็นก็จับดิจับไม่จับมันมันดีไหมนะขี้นะมัก็ไม่ดีมันเหม็นแต่มันไม่ดีจะไปจับมันหรือจะเอามันก็ไม่เอาละไม่เอาก่อนพาผ่านไป เดินไปเห็นก้นบุหรี่ทิ้งอยู่ข้างทางอันนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยก้นบุหรี่เอาแหมเอาไหมตัวหงก็ก้มลงไปหยิบเอาบุหรี่ขึ้นมาเอาไหมอมไหมตัวหงก็บอกอุ้งอมยังได้สุวกวุภกมันสมกุปกเอาสุกุภกยังอมได้สิมันอมไม่ได้มันสุกุภก ทำไมจังรู้ยประสบกบกโคนเขาคาบมาแล้วเขาทิ่งไปแล้วน้ํำลายเขามีแล้วบุหรี่ก็บุหรีย่ยามวนยาฉุนเนอะโดยน้ําลายยังมีทำไมเอ า, เ, อาเราลูกอ่ะไม่ดีเลยไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีอยู่กับเรามีไหมมีเหมือนกันอะไรบ้างมันไม่ดีความหลงก็ไม่ดีความโกรธก็ไม่มีไหมความหลง ม, มันหลงอะไรบ้างในความชุกก็หลงในความชุกก็หลงบางทีสอนกันเข้ามาตัวเดินไปสองกมเดินกลับมาพุยกันเล่นชวนเราไปดูชวนไปโน่นไปนี่จึงรู้จักจึงรู้สึกตัวได้บางที น, นั่นสุดต่ง เราสุกเรสุกทรลูกก็ลู่จึงบอกวิธีจึงสอนวิธีปฏิบัติที่มันรัดไม่ต้องสอบอารมแบบนั้นหลวงพ่อสอนบอกว่าให้เห็นอย่าเป็นเนี่ยชุดยอดเลยผ่านได้ตลอดนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยอะไรที่มันเกิดกับการปฏิบัติเวลาเราปฏิบัติ มันเกิดความรู้ความหลงความสุขความทุกข์ความเครียดความอะไรก็ตามเห็นอย่าเป็นไปกับมันนี่แน่นอนที่สุดไม่ต้องไปแก้แบบนั้นมันต้องไปแก้เสียเวลาถ้าพูดปฏิบัติทําอย่างนี้นะไม่มีปัญหาเลยถ้าปฏิบัติด้วยความอยากทําไมจึงไม่รู้ทาไมจึงยากทําไมคนนั่นรู้ทําไมเราไม่รู้เยวให้ได้เยวให้ได้มักจะผิดพลาดนักปฏิบัติไปทํานองเนี้ บางทีเกิดจินตยาอคิดรู้มากชนตะพุตตะพือก็ไม่มันก็ไม่ใช่ของเก่งเราจึงมาเห็นเนี่เจ้าไปทิดอะไรปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมากับกายกับใจเราเนี่เห็นตะพุตตะพื้พจุดเด่นเด่นของการปฏิบัต คือเห็นอย่าเป็นเนมันฉุกมันฉุกมันทุกเหยื่มันทุ ก, ทกอยากจะมาตรงที่มันมันประตูธรรมเลยก็ว่าประตูธรรมอยู่ตรงนี้นะเห็นอหย่อเป็นประตูธรรมเปิดได้ถ้าเป็นแล้วมันปิดนะสุขก็ปิดแล้วนะไม่เห็นนะทุกก็ปิดถ้าเป็นสุกเป็นทุกก็ปิดแล้ว ประตูทำไม่เปิดไม่ถึงมากถึงผลไม่มีกระแสไม่สัมผัสฮะถ้าเห็นเนี่ยเปิดเผยออกมาของที่ปิดเปิดออกแล้วสุกมันเป็นสุกมันปิดสุกเห็นมันสุกไม่เป็นโพสุกเปิดออกใช่ไหมไม่ฝีหนอ่อยนะทุก เป็นทุกข์ปิดแล้วจนอยู่ตรงนั้นที่ใดก็เ ป, กเป็นทุกข์ที่ใดก็เป็นสุขสุขมาที่ใดเป็นสุขทุกข์มาที่ใดเป็นทุกข์หลงมาที่ใดเป็นหลงรักมาที่ใดเป็นรักเกลียดชังมาที่ใดเป็นเกลียดชังมันปิดนะไม่เข้าประตูธรรมไปประตูมรรคผลนิพพานเลยถ้าเป็นเช่นนั้นนะถ้ามาใกล้ๆเนี่ย ปฏิบัติธรรมรัดรัจ้าหน่อยเนาะแต่ต้องมาเห็นนะถ้าไม่เห็นก่อนที่เห็นต้องดูเนาะก่อนจะเกิดการเห็นต้องดูให้เป็นหัดดูมีสติดูกายดูเวทนาดูกิจดูธรรมไปมันเป็นเห็นมาแล้วสิใดแสดงอะไรที่มันแสดงออกทางกายทางใจเห็นเหรอเห็นเหรอ่านมาแล้ว กันเห็นอาการอาการนี้ก็ไม่ค่อยมีใครบอกนะทุขทุกแต่ก่อนเป็นสุขเป็นทุกข์ผมมัเห็นเข้าเห็นง่วงเห็นลูกเห็นน้ำเป็นนาการไม่ต้องเรียกวันมากสุขว่าทุกข์เลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกว่ากับใจเป็นอาการดูซิมันเลื่อนฐานะอ่านออกเขียนน้อยนะเราจะเป็นมัธยมแล้วนะ แต่เป็นเป็นอนุบาลอยู่ไม่เห็นไม่เห็นรูปไม่เห็นนามเป็นอนุบาลพอเห็นรูปเป็นนามเปิดเลื่อนขึ้นเป็นมัทธยมไปเป็นต่างไปเลยมัทธะมัทธิมปฏิปทาคือเป็นกลางแล้วมันเห็นเนี่ยไม่ด่วนเนาะไม่ด่วนไปเสดิจคือไม่เข้าไปเป็นเนี่ยเป็นอาการแล้ว แต่ก่เป็นตัวเป็นต้นในความหิวในความโลนในความหนาวในความเก็บในความปวดในความลักในความชังเป็นทุกอย่างที่อสงไข่น้ําไม่ถ้วนพอชาติในชีวิตของเราที่มันเป็นเป็นเป็นเป็นนเะไม่ได้ตองที่ไม่มีอะไรบ้าหอบ่ากอุปทานยึด เมื่อโดยย่อปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขยึดว่าเราว่าอะไรต่างๆมากมายการกัก่วเนี่ยกัก่วแม้แต่ความโกรธก็กมาเป็นกูความลึกออกมาเป็นกูความเขยดชังก็ออมาเป็นกูด้วยตนตัวตนแบบเนี้ยเป็นพบเป็นชาติไปส่วบายแล้วนะตัวตนแบบเนี้ยมันไม่เหมือนจัตเจริญฉัน ไม่มีตัวไม่ตนนก็ผลขวยที่ทําให้มาดบาดเชื่งตัวเชื่งตนทําตามที่ตนมันต้องการเบียดเบียนตัวเองก็เอาเบียดเบียนคนอื่นก็เอาสิ่งอื่นก็เอาก็ไม่เป็นอันบายคิบหายเราหมดเรื่องบมดแรงเพราะฉิบหรนีทานเท่าไหร่มากเท่าไหร่หมดแลีว้วหมดแรงความโกรธความรักความฉังมากเท่าไหร่มันได้อะไรไหม เป็นเราจริงๆหรือจริงเราน่นอนน่าเสียดายนะคนหัวลุกนะเคยเคยมาเหมือนกันเสียเปียกมากๆเลยความโกรธโกรธตีน้องนะจนเค็ดหลามากพวกไม่มีไปทำนากับน้องให้น้องเอาขวายไปกินยามันไม่เอาไปกินยาเอมัตะวันก็ค่ำแล้ว ก๋วยก็ม่กินยาเลยมันจุงอยู่ร่วงร่วงเราเนี่ยบอกให้ม ไ, มมบบมไม่เราไปกิน้าแล้ ว, ลวมมน ค, ว ค, วคนนาเนาะยามันมากกินแป๊บเดียวก็อิ่มมันไม่ออกไปกินชแล้วขี่หลังขวายู่ร่รหงาหึงทำไมไม่ขวกินยาโกรธนมาแล้วก๋วยเมื่อก๋วยร้น้องดูซิมีไหมแล้วไก่ลักหมามันก็ลักคนนะลักบุหรี่มากเก็บพันะยาก็มี เห็นแล้วนะเสียน่อยลักป่วยมากไปบอกเราเอาไปเอาไปาไ ป, ไ, ปไม่ไปเละคอยย่า น, านคอยย่านย่า น, านแม่เมืองหล ะ, ละตกหัวนองตกกันแท่หน้าโอ้ยเสียใจมากเลยทุกวนันนี้เสียเปียกความโกรธจนมีความรักน้องชายคนนี้ตลอดเวลามีรักก็อยากให้มันไม่เพียงพอ เราทำผิดพาดกับมันะเสียดใจมากเหยียดใจเพรความโกรธผิดพลาดมากลักบุหรี่บากก้ากลัวรักเมียรมีพ่อใหญ่เพ่งเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่แรกที่บ้านหลองแก่อาติกันพ่อใหญ่เพ่งเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเอาหอบบุหรีมาตั้งไว้เวลาอยากสูบบุหรีก็สูบุหรี เขาบอกว่าบุรีมันพาปฏิบัติถ้าไม่สูบบุหรีก็ทําอะไรไม่นด้ต้อมันเหีเห่วเดี๋ยวก็เอาบุหรีมาสูบไม่ใช่ พ, พ่อใหกเพลงปฏิบัติทำบุรีพาปฏิบัติแล้วก็รู้สักตัวเวลามันอยากสูบไม่ต้องเอารู้ซิมือมันจะไปกลับขึ้นมาแล้วมันจะไปพวกบุรีกลับขึ้นมามันไปนะมือเนี่ยมันเคยกินนะเหมือนคน เยเือบ <laughs> <linear> <univers> ุรกตบอเใช่หมไม่มยุ่จะไปไม่บอกจะไปกลับกันมากลับกันมาไปมาไม่สุกพอเลิกสุบบุยรี่ไแล้วก็หบเราหลวงพ่อเอ้ยผมเตะเบียผมตกจอมพวกไถนาไม่จอมพวกปลูกกระตบบนจอมพวกไม่เพิงอ่า เอาไถนาะไม่เอาห่อบุหรีไปด้วยเอาเมียมาส่งข้าวอมคําถามขึ้นมาเลยเอาบุหรี่มาให้ไหมล่ะไม่ไดเอามามันยุ่งมันยากไม่รู้ว่าเข้ามาทำไมไม่รู้จกักทุกวันก็มาเองทําไมไม่เอามาใครจะรู้เมียก็มาส่งข้าวก็ยากกว่าจะเจัดงานบ้าน พอมาแล้วผ <entscheiden> pues ัวนดุเป no, ็นด่าไม่เอาบุหรี่มาให้จบเอ้ากูก็ถามเชียนี่มึงทำไมบ่นมากเตเมียถึงจบกงปมกเมียก็ร้องไห้พอเลิกสูบุหได้แล้วโอ้ยยกมือไหวเมียไปไหนพ่อเอ้ยผมเักเมียผมตอนที่ผมเตะเมียผมตกถนนตอมถึงหนานผมสงสารเมียผมมาพอผมเลิกสูบุรี่ ก็ตตูบุรีเนี่ยทำไมผมเตะเมียผมตุกโจมพวกผมไปไหนมาผมซื่อชินให้เมียผมผมซื่อเชื่อมาให้เมียผมแต่ก่อนผมซื่อเชื่อซื่อชินมาให้เมียผมไม่เป็นเดี๋ยวนี้เมียผมไม่ได้ซื่อนะผมซื่อมาให้เอนี่เมื่อไม่นานเดือนก่อนก็มาที่นี่นี่คืออะไรเคล็ดลับ ไม่บ้างไหมใครเคล็ลาบเคล็ดลาบวามโกรธไปไหมเชล็ดลาบวามหลงไปไหมแต่เคล็ดลาบข่มหลงจริงๆตื่นขึ้นมาเป็นพุทธะแล้วนะโอ้ตื่นทุกตื่นหลงนะอ้เออตอนนี้ไปความทุกความสุขเกิดจะกความคิดจะไม่มีอีกแล้วตื่นมากที่สุดเลยตอนนี้นกนความสุขความทุกเกิดจะความคิดมาเห็นจะเห็นจ้ลอด ลัดเข้าไปนั่งอยู่ก็ทำได้ถอนอยู่ก็ทำได้เดินอยู่ก็ทำได้ยืนอยู่ก็ทำได้กันหลงยืนอยู่ก็หลงนอนอยู่ก็หลงนั่งอยู่ก็หลงเดินอยู่ก็หลงมันก็นี่รู้อยู่ตรงนั้นนละไม่ยากทำได้จริงๆทำได้จริงๆไม่ต้องมานั่งช่างจะอมาก็ได้ทำในใจเลยถ้ามีความรู้สึกตัวลรวเอาไปใช้เลย ความหลงไม่ใช่อยู่ในรูปใจพระสร้างจังหวะมันอยู่ทุกอรียบทความหลงเลยรูปขึ้นตนะ่อปัป๊บหลงที่ได้รูปปั๊บสุขที่ได้รูปปั๊บทุกที่ได้รูปขึ้นมามันะก็มีแต่รูป เ, เป็นตัวเฉลือ่อยเป็นตัวเฉลื่อยเรื่องที่เกิดขึ้นกับกว่ากับใจได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องไปหาคําตอบทําไมทําไม ไม่ต้องมีคำว่าทำไมปฏิบัติหลงไปนี่นี่จมน้ำหน้ามันมามัเจอะกันล่มันเที่ <c oughs> มันไม่มีอะไรที่มันโชคไปด้วยเปลี่ยนหลงไปไม่ลง น, ะ น, นี่แหละความโชค ชอเหนชอบการงานชอบคิดชอบพูชอบปฏิบัติชอบวาจาชอบความเขียนชอบเป็นสัมมาทิฏฐิคือภาวะที่รู้ที่เห็นไม่เป็นนี่และสัมมาทิฏฐิไม่เคยไม่ได้ยากไม่เลือกชาติฉันวันนะโอหญิงผู้ชายนักปวยครว่าเจ้าโยมเด็กผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ํามราท่างนั้นภาวะเค่นนี้ไม่ได้อยู่ในเพศใดวัย อ้ามว่าแก่แล้วอ้าวาาว่าหนุ่มอยู่ไม่ใช่เลยหนุ่มก็หลงแก่ก็หลงหนุ่มก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์หนุ่มก็โกรธแก่ก็โกรธรวมโกรธอันเดียวกันเหมือนกันหมดรวมลูกกันเดียวกันเหมือนกันหมดจึงมีสิทธิสากลแห่งธรรมสากลแห่งธรรมนะเอาเลยนั่นนั่นก็เห็น มันหลงเห็นมันหลงลู่ขึ้นมาเอาเอาแรงแดงก่อนก็ได้ถ้ายังไม่แข็งแรงพอก็ลู่ทุกทัวร์ขึ้นถ้ามันแข็งแรงแล้วพอมันหลงก็ลู่ขึ้นมาแข็งแรงแล้วเพราะสติอินทรีย์มันยิ่งใหญ่แล้วหมนก่อนมันต้องเลี้ยงในน้อขึ้นมายังไม่เป็นอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเหมือนเถาวันยอดต้องอ่อนขาดง่าย ให้มันเวลาอยู่สักหน่อยเมื่อมันแจกล้าขึ้นมาเกิดดกกกขนได้สติเกิดดอกกกขนเป็นมรรคเป็นผลอเอาเนี่ยสมขวรเชอเวลาละกลักบมาพร้อมกัน